พระบัญญัติห1ึ่ก็ภิกษุณีใดบวชให้สิกขามานาด้วยการให้ปริวาสิกาชันทะต้องอบัตปากจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ